ไม่ล่วงละเมิดเลยตลอดสองปีโดยทรหกประการนี้ทรงวางระเบียบว่าภิกษุณีสงจะต้องเป็นผู้ให้แกสตรีผู้นั้นเนื่องจากทรงเห็นว่าธรรมชาติของมาตุคามเป็นคนโลเลจึงทรงทดสอบความตั้งใจมั่นด้วยการให้ประพฤติในทรหกประการนี้ก่อนจกไม่ลำบากเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว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 เพิ่งประกาศให้สงราบด้วยยัตติทุติยกรรมว่าข้าแต่แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้ผู้นี้มีพรรษาครบสิบสองแล้วขอสมมุติการอุปสมบทต่อสงถ้าความพรั่งพร้อมของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติการให้อุปสมบทแก่ภิกษุณีชื่อนี้ผู้มีพรรษาครบสองแล้วนี่เป็นยัตติ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 ต้องประพฤติ ธ, ธรรม6ประการครบสองปีแล้วพิกษุณีสง์ให้สมมุติการอุปสมบทด้วยยติทุติยกรรมวาจาแล้วและต้องไม่มีอันตรายิกธรรมวิธีขอสมมุติการอุปสมบทจากพิกษุณีสง์หลังจากสตรีนั้นประพฤติ ธ, ธรรม6ประการครบสองปี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 ผู้ได้ศึกษาในธรรมหประการตลอดสองปีแล้วนี่เป็นยัตติแม่เจ้าเจ้าค่าขอสงฆ์จมฟังข้าพเจ้าเด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ12บปีได้ศึกษาในธรรม6ประการตลอดสองปีและสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงพึงให้สมมติแก่การอุปสมบทแก่เด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้มีอายุครบสิบสองปีผู้ได้ศึกษาในธรรม6ประการตลอดสองปีชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงพูดสมมุติการอุปสมบทอันสงให้แล้วแก่เด็กหญิงชื่อนี้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 สิบเก้าอายุครบยี่สิบปีแล้วหรือยี่สิบมีบาจีวรนครบแล้วหรือยี่สิบเอ็ดเธอชื่ออะไรปรวตตินีภิกษุณีผู้เป็นอุปชาของเธอชื่ออะไรกรรมวาจาประกาศอุปสมบทให้สงทราบ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 มีอุปสัมปทาเปกขาของแม่เจ้าชื่อนี้บริสุทธิ์แล้วจากอันตรายิกธรรมทั้งหลายบาทและชีวรของเธอครบแล้วนางชื่อนี้ขออุปสมบทกระสงมีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นประวัตินีถ้าความพร้อมรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงให้นางชื่อนี้อุปสมบทมีแม่เจ้าชื่อนี้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 ภิกษุณีสง์ให้สมมติการอุปสมบทด้วยยัติทุติยกรรมวาจาแล้วต้องเป็นผู้ไม่มีอัตไรายิกธรรมยี่สิบสองประการภิกษุณีสมบวตให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมวาจาภิกษุสง์รับรองหรือรับทราบให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมวาจาภิกษุณีสง์บวชให้ด้วยยัติจะตุตถกรรมวาจา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 สรุปวิธีบวชเป็นภิกษุณีดีกาพระวินัยสรุปไว้ว่าภิกษุณีทั้งหมดมีสองประเภทคือ 1. ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยทรงได้รับคารุ ธ, ธรรมมิใช่บวชอย่างเอหิภิกขุอุปสัมปทา 2. ได้รับอุปสมบทจากสงฆ์พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีได้รับอุปสมบทด้วยการรับคารุ ธ, ธรรม ชื่อว่าได้รับอุปสมบทจากพระศาสดาเรียกวิธีบวชนี้ว่าคารุ ธ, ธรรมปฏิคาโนูประสัมปทาหรืออัฏฐคารุ ธ, ธรรมปฏิคหโนประสัมปทาภิกษุณีทั้งหมดที่เหลือชื่อว่าได้รับอุปสมบทจากสงในบรรดาภิกษุณีที่ได้รับอุปสมบทจากสงเหล่านั้นก็มีสองประเภทคือหนึ่ง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 1. พระพุทธเจ้าทีปังกร 2. พระพุทธเจ้าโกนธัญญะ 3. พระพุทธเจ้ามงคระ 4. พระพุทธเจ้าสุมณะห้พระพุทธเจ้าเรวตัตต 6. พระพุทธเจ้าโสพิตาะ 7. พระพุทธเจ้าอนมัตทัศนสี 8. พระพุทธเจ้าปทุมะ 9. พระพุทธเจ้านาระะัฐะ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 ของพวกเราระยะเวลาบำเพ็ญบารมีของพระเถรีสิบสามรูปในบรรดาภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเอตทัทธคะสิบสามท่านนั้นมีเพียงพระพัฒธธากัจฉาเถรีรูปเดียวเท่านั้นที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าทีปังกรและ ได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นคู่ชีวิตกับพระพุทธเจ้าโคตมะซึ่งนับย้อนหลังไปสี่อสงไขยแสนกับแต่การตั้งความปรารถนาที่จะเป็นเอตะทักคะของท่านเริ่มในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระในระยะเวลาบำเพ็ญบารมีหนึ่งแสนกับพระเถรีอีกสิบสองรูปใช้เวลาบำเพ็ญบารมีนานหนึ่งแสกัโดยเริ่มในสมัย พระพุทธเจ้าปัตุมุตระเหมือนกันทั้งหมดส่วนพระเถรีที่เหลือใช้เวลาบำเพ็ญบารมีไม่ถึงแสนกับ พชาวดีโคตมีเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางรัตัญอูอดีตชาติพระนางเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางรัตัญูในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระครั้งนั้นพระนางเกิดเป็นธิดาของอมสาธในกรุงหังสวดีในวงเล็บหังสาวติยาบางฉบับว่าหงษ์สวดีวันหนึ่งได้เข้าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุชารรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลือดทางรัตนโยนางต้องการเป็นอย่างนั้นบ้างจึงถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดเจ็ดวันแล้วมอบลงแท่พระบาทกล่าวปรารถนาตำแหน่งนั้นและได้รับพยากรจากพระองค์ว่าในกับที่แสนแต่กับนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคดมทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะได้เป็นธรรมทายาธของพระศาสดาพระองค์นั้นจะเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจะได้เป็นพระสาวิกาของพระศาสดามีนามว่าโคตมีจากได้เป็นพระมาตุจฉาบำรุงเลี้ยงชีวิตพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 พากันดําริว่าพวกเราควรขอพวกช่างเพื่อทํากุฏิสําหรับอยู่จำพรรษาในเวลาเย็ยนพระประเจกับพุทธเจ้าห่มจีวรเข้าสู่พระนครขณะนั้นหัวหน้านางทาสีกําลังเดินถือหม้อ น, น้อําไปยังท่าน้ําได้เห็นเหล่าพระปเจกับพุทธเจ้าหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเศรษฐีเศรษฐีรู้ความต้องการของพวกท่านแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลา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 ที่ป่านั้นด้วยเถิดเจ้าค่ะครั้นนี้หมดแล้วนางก็กลับไปยังท่าน้ำแจ้งข่าวกับนางทาสีทั้งหลายผู้มาเพื่อตักน้าว่าพวกเราจะพ้นจากความเป็นทาสีพรุ่งนี้พวกเจ้าจงให้สามีของเจ้าทางานก่อสร้างสักวันหนึ่งพวกนางทาสีได้ไปบอกแก่ล่าวสามีในเวลาเย็นแล้วไปประชุมกันที่ประตูรเรือนหัวหน้าทาสี นางหัวหน้าทาสีกล่าวเป็นคำสั่งว่าพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้พวกเจ้าจงถวายหัตถกรรมแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วบอกถึงอนิสงค์ทั้งขู่คนที่ไม่อยากไปด้วยถ้อยครรมอันหนักหน่วงและนัดหมายให้ทาาทุกคนไปที่ป่านั้นวันรุ่งขึ้นนางได้จัดอาหารถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย บรรดาธาตุและบุตรธาตุทั้งหลายก็พากันเข้าป่ารวบรวมไม้อุปกรณ์ก่อสร้างและสร้างกุฎีขึ้นหลายร้อยหลังจัดทําเป็นที่จงกลมเตียงต่างน้ำใช้และน้ำฉันเป็นต้นเสร็จแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนให้นางทาสีปัดเวียนกันถวายอาหารวันใดที่ทาสีครอบครัวใดไม่อาจถวายได้ ก็ให้ไปนำอาหารจากเรือนหัวหน้าทาสีมาถวายแทนครบสามเดือนหัวหน้าทาสีให้ทาสีทุกคนจัดผ้าซาดกมาคนละผืนรวมได้ห้าร้อยผืนนางให้นำผ้าเหล่านั้นมาทําเป็นไตรจีวรถวายพระประเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยองค์พวกท่านรับแล้วก็หอบไปสู่ภูเขาทางอากาศโดยพวกนางแลเห็นอยู่นั้นแหล อตกถาว่าบำรุงอยู่สามเดือนแต่บาลีอปทานว่าสี่เดือนทาสีเหล่านั้นทุกคนทำกุศลตลอดชีวิตตายแล้วเกิดในดาวดึงเทวโลกพบพระปัจเจกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์บุรของนางปัทุมวดี ต่อมาหัวหน้านางคาสีเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างทอหูทอผ้าโดยใช้เครื่องมือพื้นเมืองไม่ไกลจากกรุงพราราณสีวันหนึ่งพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าจำนวน500องค์ซึ่งเป็นบุตรของนางปัทุมวดีอันพระเจ้าพราราณสีนิมนต์ไว้มาถึงประตูพระราชนิเวศแต่ไม่พบใครที่จะดูแลเลยจึงกลับออกไปทางประตูเมือง ผ่านหมู่บ้านช่างทอหูนั้นนางเห็นแล้วนึกเอ็นดูไหว้และถวายอาหารพวกท่านฉันเสร็จแล้วเหาะกลับไปสู่เขาคันธมาสนางทำกุศลตลอดชีวิตแล้วไปตามยะถากรรมเรื่องช่วงนี้ไม่มีในบาลีอปทาน พระชาติสุดท้ายเป็นพระมาตุจฉาบุตรสาวของช่างทอหูกนั้นมาเกิดในเรือนของพระเจ้ามหาสุปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะแต่บาลีอปทานว่าเป็นที่ดาของพระเจ้าอัญนชนะนัสกยักกับพระนางสุลักณาส่วนทาสีอีกห0 0รก็เกิดในตระกูลสากยะกษ์พระประยุลญาตถวายพระนามว่าโคตมี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 ของพระนางจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายจึงตั้งชื่อว่าปชาบดีครั้งนั้นเหล่าพราหมณ์ประจำราชสำนักผู้ชำนาญมนต์รวจดูพระลักษณะของพระนางทั้งสองแล้วพยากรณ์ว่าทารกที่อยู่ในคันของพระนางทั้งสองจกเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อจเจริญวัยแล้วพระเจ้าสุดโททนาทรงอภิเษกกับพระนางทั้งสอง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 ผู้เป็นพระมาตุชาของพระโพธิสัตว์ไว้ในตาแหน่งพระอัครมเหสีเวลานั้นนันทกุมารพระโอรสของพระนางปชาบดีโคตมีก็ประสูิแต่พระนางปชาบดีสมมอบพระโอรสนันทะให้พระพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูส่วนตัวพระนางทรงบำรุงเลี้ยงพระโพธิสัตว์ด้วยพระองค์เอง อัตกถาและดีกาประวินัยว่านันทกุมารทรงพระยาวกว่าพระโพธิสัตว์สองสามวันครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะเสด็จออกมหาพิเนศกรมและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงอนุเคราะห์โลกที่มคตพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาทรงสดับข่าวนั้นทรงส่งคนไปกราบทูลเชิญนิวัด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 พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมพระราชาทรงได้บรรลุโสดาปัติพนวันที่สองของการเสด็จนิวัตทรงให้นันทกุมารผู้เป็นพระอนุชาถือบาตรตามทรงถึงที่ประทับและทรงให้นันทะอุปสมบทวันที่7ทรงให้ราหุลกุมาบรบรรพชชาเป็นสัมมาเนนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะ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 ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล 7. ให้แก่พระสกทาคามี 8. ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล 9. กให้แก่พระโสดาบัน 10. ให้แก่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพันธิให้แก่ท่านผู้ปรศจากความกาหนัดในกามภายนอก 12. ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีล 13. ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล 14. ให้แก่สัตดิรชานสังฆทานเจ็ดประเภทคือทานที่ถวาย 1. ในสงสองฝ่ายทั้งภิกษุสงและภิกษุณีสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 2. ในสงสองฝ่ายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว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 3. เป็นไปเพื่อความสะสมไม่เป็นไปเพื่อความไม่สะสม 4. เป็นไปเพื่อความมักมากไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อย 5. เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ 6. เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัด 7. เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านไม่เป็นไปเพื่อความปราลบความเพียร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 และชนอื่นเป็นอันมากให้พ้นจากทุกข์หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายชาติสงสารสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีพร้อมกับการบรรลุพระอรหันตนั้นพระเถรียังถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษอื่นๆอีกมากมายดังที่ท่านเล่า ว, ว่าวิชาสาม หม่อมชั้นบรร ล, ลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแและอภิญยาหกหม่อมชั้นก็ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมชั้นก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำของพระเถรีทั้งหลายที่มาในเถรีอปทานนั้น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 เราเองเป็นอุปชาของพระนางเธอทั้งหลายไม่ควรทําความรังเกยียจในพระขีณาสพคือผู้สิ้นอสวะทั้งหลายผู้เว้นจากทุจริญทั้งหลายแล้วแล้วตรัสเป็นพระคาถาแล้วตรัสเป็นคถาว่าความชั่วทางกายวาจาและใจของบุคคลใดไม่มีเราเรียกบุคคลสํารวมแล้วในฐานะสามคือกายวาจาใจ ว่าเป็นพรามเกิดพระอาพาธหนักครั้งหนึ่งพระมหาประชาบดีเกิดอาพาธหนักพระเถระทั้งหลายเข้าไปเยี่ยมท่านถึงที่อยู่แล้วกล่าวถามว่าท่านยังพอทนได้หรือพระเถ ร, เรีตอบว่าดิฉันทนไม่ไหว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 พระเถรีจึงทูลว่าไม่เกิดความสำราญเพราะไม่ได้ฟังธรรมจากพระเถระทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุเข้าไปสู่ที่อยู่ของภิกษุณีแล้วแสดงธรรมได้หากภิกษุณีนั้นอ า, าพาธ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 พระเถระาชทั้งหลายและเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายส่วนภิกษุณีผู้เป็นบริวารของพระนางห้ารอยรูปก็มีดำริเหมือนพระนางในบาลีอปทานเล่าว่าพระนางรำพึงว่าพระนางจักไม่อยู่เห็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระราหุลพระอนนทและพระนันทะ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 ทูลถามถึงเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวกรองทิพย์บรลือลั่นและเสียงกร่ำครวญของหล่าวเทพพระนางจึงได้แจ้งว่าตนเองพร้อมด้วยภิกษุณีผู้ออกจากเรือนบวชมาด้วยการอีก5ห้าร้อยรูปจากปรินิพานขอขมาเทวดาปลอบโยนอุบาสก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 ทั้งมักเราก็ได้อบรมอย่างดีแล้วพระศาสดาเราก็ได้บำรุงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำเสร็จแล้วภาระอันหนักเราก็ปลงลงแล้วตัณหาอันนมไปในพบเราก็ถอนเสียแล้วคนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราบรรลุโดยลำดับสังโยชน์ทุกอย่าง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 พระสงค์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขพวกเดร์ถีก็หายโง่หายกระด้างแล้วน้ำตาของท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าท่านทั้งหลายจะมีความเอ็นดูทั้งมีความกตันอยู่ในเราซ้ายขอให้ท่านทุกคนจงทําความเพียรมั่นเพื่อความดํารงอยู่แห่งพระสัทธธรรมเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเราทูลอ้อนบอน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 ครั้นให้โอวาทพร่ำสอนแก่อุบาสิกาทั้งหลายแล้วพระนางก็เสด็จนำหน้ามีพิษุณีทั้งหลายติดตามเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลาปารินิพพานพระนางซบพระเสียร ล, ลงแทบพระบาทอันเป็นประกายคล้ายดอกบัวบานมีพระรัศมีงามดังดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระนางกราบทูลว่า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 ก็ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมชั้นด้วยเถิดอันหนึ่งหม่อมชั้นได้ทูลซ้ำา้ซากซาให้สตรีทั้งหลายได้บวชข้าแต่พระนราสภะถ้าโทษหม่อมชั้นในข้อนี้มีอยู่ขอได้โปรดทรงอดโทษนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณ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 จากนั้นพระนางและภิกษุณีทั้งหลายพากันทาประทักศินพระพุทธเจ้าครั้งนั้นท่านพระอนอนพุทธอนุชาผู้ยังเป็นพระเสขาบุคคลอยู่หลั่งน้ำตาร้องไห้คล่ำครวนอย่างน่าสงสารพระนางได้กล่าวกับท่านว่าลูกเอ๋ยเมื่อการหน้าร่าเริงปรากฏขึ้นแล้ว